สมันก่อนมีข่าวฟังแล้วก็จะเรียกว่าอะชวนตกใจหรือสลดใจค่ะเดวกันก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ไม่น้อยถมามีดาบตำรวจคนหนึ่งอายุประมาณสัก40่สกลับจากการออกเวรถึงบ้านประมาณตี2บ้านนี้ก็เป็นร้านชำนะภรรยาก็ดูแลร้านชำนี้ร้านโชห่วยนะก็มาถึงบ้านตี2ก็เห็นลูกเอาแต่เล่นเกมในคอมพิวเตอร์ ก็ต่อว่าลูกว่าทําไมไม่ช่วยงานแม่นะทำไมไม่ช่วยปิดร้านนะมันตีสองแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันแล้วก็การโต้เถียงก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพ่อนี่ก็บอกว่าเนี่ยกูเป็นพ่อนี่นะตอว่าลูกไม่ได้หรืองไงว่าแล้วก็เอาปืนเนี่ยนะมาวางไว้ที่เคาน์เตอร์ต่อหน้าลูกแล้วก็บอกว่ายิงพ่อซะเลยสิ แถมแอบอกให้ด้วยบอกว่าลูกชายนี่คว้าปืนนะแต่แทนที่จะยิงพ่อนะจ่อใส่ขมับตัวเองแล้วก็ยิงตายเลยตายต่อหน้าพ่อแล้วก็แม่นะอันนี้มันก็มีการมันมีภาพละเอียดเลยนะเพราะว่าเขาที่บ้านเนี่ยลานเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดก็ เ, เห็นเหตุการณ์ตลอดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะอะดีตนะที่แม่นี่เขาเอาปืนเนี่ย โยนไปหน้าร้านไม่งั้นพ่อนี่ก็คงจะอาจจะคว้าปืนยิงตัวเองตายไปอีกคนหนึ่งนะพ่อไม่คิดว่ามันจะลงเอยแบบนี้พ่อนี่ก็คงจะแค่ท้าทายลูกหรือว่าพูดด้วยความโกรธนะก็คงไม่คิดว่าลูกจะทำอะไรพ่อหรอกแล้วก็คงไม่คิดคงคิดไม่ถึงว่าลูกจะทำอะไรกับตัวเองด้วยอันนี้ก็สอนใจได้ดีนะว่า ประการแรกเรื่องปืนเนี่ยนะมันอยู่ใกล้ตัวนี่มันไม่ได้ปลอดภัยเลยนะคนคึกว่าปืนเนี่ยมีแล้วเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ตัวแล้วจะปลอดภัยแต่เวลาเกิดความขัดแย้งเกิดการทะเลาะวิวาสกันเนี่ยสถานารเลรวร้ายลงไปหนักจนกระทั่งแก้ตัวไม่ได้เลยนะก็เพราะปืนนี่แหละเพราะเจอมาหลายลายแล้วนะบางทีบางบ้านนี่พ่อเก็บ ป, ปืนเอาไว้ลูกก็กลุ้มใจนะ รู้ว่าพ่อเก็บปืนไว้ที่ไหนก็เอาปืนเนี่ยยิงตัวเองตายลูกอาจจะขัดแย้งกับพ่อแม่หรืออาจจะทะเลาะกับแฟนมาไอ้ปืนที่เอาไว้ป้องกันตัวบ่อยครั้งเนี่ยมันก็ทําร้ายคนที่เรารักนะด้วยอารมณ์ัฉวบูบแล้วก็เรื่องนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจเรื่องหนึงน่งก็คือว่าลองใจลูกเนี่ยนะพ่อเนี่ยลองใจลูกนะหรืออาจจะประชดลูกก็ได้นะแต่การประชดหรือว่าการลองใจ บางอย่างเนี่ยมันเกิดผลกระทบที่ตามมาแบบคาดไม่ถึงคนโบ ร, ราณเขาบอกว่าที่รักอย่าลองใจนะหมายถึงว่าคนที่เรารักเนี่ยอย่าไปลองใจเขาอย่าลองใจว่าพ่อลองใจว่าลูกจะรักพ่อไหมนะเห็นพ่อเห็นลูกมาเถียงพ่อนะก็ท้าทายซะเลยเอาปืนมาเสียิงกูสินะอันนี้เราประชดนะพูดประชดนะแล้วก็เป็นการท้าทายในตัวแล้วก็ลองใจด้วยนะปรากูว่า มันผิดแผนนะนลูกก็เอาปืนมายิงตัวเองลู ก, กคงจะมีความน้อยเนื้อต่ําใจนะน้อยเนื้อต่ําใจที่ถูกพ่อว่าที่จริงเรื่องนี้มันคงจะสะสมกันมานานนะเพราะว่าเพียงแค่ทะเลาะกันครั้งแรกหรือครั้งเดียวเนี่ไม่มีใครทําอย่างนั้นหรอกนะแต่ว่าคงสะสมมานานเลยนี้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกแม่กับลูกนะในสังคมปัจจุบันก็เปราะบางยิ่งตอนหลังก็มี แท็บเล็ตมีคอมพิวเตอร์มามันก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันนะเหินห่างนะลูกก็เอาแต่เล่นคอมพิวเตอร์นะพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจแล้วก็จัดการไม่ได้นะก็ต้องมีการทะเลาะ ก, กันพอทะเลาะ ก, กันแล้วก็สะสมก็คงมีการต่อว่าลูกนะอันนี้ก็ทำให้เกิดความน้อยใจนะให้การยิงตัวเองตายนี่มัน มันฟ้องถึงว่าถึงความน้อยเนื้อต่ำใจหรือการต้องการที่ประชดนะลูกอาจจะมองว่าพ่อเนี่ยมองลูกแบบนี้นะเห็นลูกนะว่าไม่เคาท่านะเป็นลูกอากตันอยู่ลูกก็เลยประชดพ่อซะเลยนะยิงตัวตายนะถ้าหากคงที่ในใจว่าถ้าพ่อเห็นลูกแบบนี้ก็ลูกอย่าอยู่ดีกว่าลูกไปดีกว่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะเดี๋ยวนี้ คนนี้อ่อนแอแล้วก็อ่อนไหวมากลูกนี้อายุย่สิบเอ็ดนะก็ไม่ใช่เป็นเด็กประเภทสิบ5ี่สิบ้าสิบหกนะยี่สิบเอ็ดแล้วน ะ, ะแต่ว่าคงมีการกระทบกระทั่งกันอยู่ประจำแล้วก็มีการสะสมนะแล้วก็เกิดความน้อยเนือต่ำใจขึ้นมามันอันนี้มันก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมหรือครอบครัวสมัยใหม่ที่มีความเปราะบางมากนะ นะถึงแม้ว่าจะามีความสะดกสบายนะมีชีวิตที่เรียกว่าพรั่งพร้อมในวัตถุนะแต่ว่าข้างในแต่ละคนนี่อ่อนแอมากถ้าเจออารมณ์ใดๆเนี่ยมากระทบนะเช่นความโกรธนะความเศร้าความน้อยเนื้อต่ำใจนี่มันก็สามารถจะทำให้เกิดอะไรอะไรขึ้นมาก็ได้อารมณ์นี่มันก็เหมือนกับพายุนะ แต่บางทีถึงแม้จะมีพายุที่แรงนะแต่ว่าถ้าเรือเนี่ยนะมีสมอดีนะเรือมันก็ไม่อับปางง่ายๆนะพายุจะแรงแค่ไหนเรือนี่นะสมอนี่มั่นคงนะแต่จิตใจคนเราเดี๋ยวนี้เหมือนกับเรือที่มันไม่มีสมอนะพอเจอลมแรงๆเข้ามาก็พลิกคว่ําเลยนะความอ่อนแอนะอ่อนไหวในจิตใจของผู้คนเนี่ย มันถูกซ้ำเติมด้วยความคิดปรุงแต่งที่เก่งมากนะอารมณ์อ่อนไหวเพราะว่าไปไปให้ความสำคัญมากกับการพัฒนาความคิดนะหรือพัฒนาวัตถุตามมาด้วยพัฒนาความคิดให้คิดไวคิดเก่งแต่ว่าจิตใจหรืออารมณ์ไม่พัฒนานี้ก็อันตรายนะสมัยนี้เราไม่ค่อยเน้นเรื่องการพัฒนาอารมณ์เท่าไหร่เราไปพัฒนาหัวสมองมากไป เรียนเก่งเด็กคนนี้คงจะหัวไวเหมือนกันนะคงจะเล่นคอมพิวเตอร์นี่เรียกว่าคลองแคล่วว่องไวเกมออนไลน์ต่างๆนี่เรียกว่าถนะัดนี่ขนาดตีสองยังไม่เลิกเลยนะยังเล่นอีกนะที่จริงมันควรเป็นเวลานอนนะหรือถ้าไม่นอนก็ช่วยแม่ปิด้านนะแต่ว่าก็เพลินมั้งนะสมองคนเราเดี๋ยวนี้นี่พัฒนาได้ไวเร็วคิดเก่งนะ คิดได้ทนคิดได้นานนะเล่นเกมก็เล่นได้เป็นวันวันะยี่บสชั่วโมงก็ยังเล่นได้ไม่หลับนะแต่ว่าอารมณ์นี่เปราะบางมากนะพออารมณ์เปราะบางนะมีอะไรมากระทบนี่มันก็สามารถจะผิดเพี้ยนได้ง่ายมีอะไรมากระทบนิดหน่อยก็กลายเป็นพายุอารมณ์ได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามีการพัฒนาด้านอารมณ์นะเช่นมีความอดทนนะมีสติมีสมาธิ หรือว่ามีเมตตากรุณาเนี่ยมันก็พอจะช่วยทัดทานรับมือกับอารมณ์โกรธหรือว่าความหงุดหงิดความน้อเนื้อต่ําใจได้และพออารมณ์เกิดขึ้นเหล่านี้มันแรงนะมันแรงมันเร็วมากเขาเรียกว่าเกิดอารมณ์ชั่ววูบนะพออารมณ์ชั่ววูบแล้วเนี่ยมันทําอะไรก็ได้นะก็เคยมีนะอันนี้ก็เคยเล่าไว้หลายครั้งว่าก็มีเคสแบบนี้พ่อกับลูกทะเลาะ ก, กันนะพ่อก็หวังดีกับลูกลูกนี่ชอบเที่ยวกลางคืน แถมเอารถของพ่อนี่พ่อซื้อรถให้ลูกนะหวังว่าลูกจะเชื่อฟังพ่อลูกก็ติดเพื่อนนะขับรถไปหาเพื่อนตอนกลางค่ากลางคืนพ่อสั่งแล้วว่าอย่าทําลูกก็ทําพอรู้ว่าลูกทํานี่พ่อก็ไปตามลูกมาจากบ้านเพื่อนนะกลับมาถึงบ้านก็ทะเลาะ ก, กันฉากทะเลาะ ก, กันคงคล้ายๆกับฉากที่ว่าเนี่ยที่ครอบครัวเมื่อสักครู่นะนะลูกก็แรงนะก็ต่อว่าพ่อพ่อก็ยิ่ง โกรธลูกมากขึ้นจากความกลุ่มกลายเป็นความเกลียดไปเลยนะบางเออมีปืนอยู่ใกล้นะปืนอยู่ใกล้นะก็พ่อนี่คว้าปืนขึ้นมายิงลูกตายเลยลูกนี้พ่อนี่รักลูกมากนะปรารถนาดีกับลูกอยากให้ลูกเป็นคนดีแต่พอโกรธมากๆนี่นะมันกลายเป็นเกลียดนะแล้วพอเกลียดนี่อยากจะกําจัดให้หมดไปจากโลกนี้ให้หายไปจากโลกนี้ยิงลูกตายพอรู้ตัวว่าทำอะไรไปนี่ทํำยังไงอ่ะ ก็เลยฆ่าตัวตายซะเลยนะแม่ก็เลยเศร้านะเพราะว่าลูกกับพ่อนี่ตายนะไล่ๆกันนะคนที่ตายไปก็อาจจะไม่รับรู้อะไรแต่คนที่อยู่นี่ทรมานมากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่านะเพราะว่าคนนี่ไม่ค่อยได้เรียนรู้นะจากาจากข่าวสารนะบางทีก็รู้ผนผ่านแล้วก็ไม่ไม่ค่อยคุ้นคิดนะว่า มันโยงกับตัวเองอยังไงบ้างมันใกล้กับตัวเองบ้างหรือเปล่านะเรื่องเพราะฉะนั้นในเรื่องปืนเนี่ยนะมันเป็นเป็นเรียกว่าเป็นเป็ น, ป น, ปนอันตรายไม่หอ่อคลังแคล้นะยิ่งครอบครัวที่แตกเล้าเปราะบางนี่ต้องเอาปืนห่างๆเลยนะเพราะว่ามันสามารถจะกลายเป็นอาวุธที่ทํำร้ายกันและกันได้ง่ายเพียงเพราะอารมณ์โฉมวบูบไม่ได้ไต่ตรองนะแค่โกรธเพราะแค่น้อยใจนี่มันก็ใช้ปืนนี่ฆ่ากันได้ แต่ทางทางที่ดีเนี่ยก็ต้องพยายามปรับความสัมพันธ์นะให้มีความพอเข้าใจกันฟังกันนะแล้วก็ไม่ใช่ปรับความสัมพันธ์อย่างเดียวต้องฝึกใจตัวเองด้วยด้วยนะให้มีความอดทนนะให้มีความมั่นคงนะให้เหมือนกับเรือที่มันมีไม่ใช่มีแค่หางเสือเท่านั้นนะแต่ว่าต้องมีสมอด้วยสติเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับหางเสือนะแล้วก็เป็นสมอในเวลาเดียวกันเป็นหางเสือที่ทําให้เดิน ไปได้อย่างมีทิศทางแล้วก็เวลาเกิดพายุขึ้นมาเดินทางไม่ได้ก็ต้องมีสมองคอยยึดเอาไว้ไม่ให้มันพลิกความอับปางนะผู้คนมากมายก็ชีวิตนี้อับปางนี่ก็เพราะความไม่มีสติเพียงแค่วูบเดียวนี่นะมันก็หมดอนาคตเป็นเลยการแห่งสติสําคัญมากนะไม่มีสติเพียงแค่สองสามวินาทีนี่มันมันเกิดความฉิบหายหายนานี่แบบที่เรียกว่ า, าไม่สามารถจะแก้ตัวได้เลยเอาละเตรียมรับพร